วันนี้เป็นวันที่12เมษายนพุทธศักราช2555วันพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งทางรัฐบาลก็ให้หยุดราชการหลายวันเป็นประเพณีของประเทศชาติของเรามาตั้งแต่ดึกดำบัน แต่ท่านก็ทางรัฐบาลเขาก็เจตนาดีอยากจะให้ผีน้องประชาชนกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อจะมาเคารพพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือมาทำกิจธุระที่จำเป็นที่ห่างเหินจากหมู่บ้านไปไกลไปนานปีหนึ่งจะได้กลับมาบ้านมาเยี่ยมพ่อแม่ม า, มาดูสรทุกสุขติบเพื่อพบกันในญาติผีน้อง เพื่อนฝูงญาติชนิดมิตรสายจะได้ปรึกษาปรบรบกันมันก็ดีนะถ้าจะว่าดีก็คือทั้งส่วนรัฐการด้วยทั้งพี่น้องประชาชนพ่อค้าประชาชนด้วยที่เป็นญาติพี่น้องก็จะได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันจะได้ปรึกษาปรบรบกันในเรื่องการงานแต่ถ้าว่าใช้ไปในทางที่ไม่ดี ทางที่ไ่ถูกก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันมันเป็นดาบสองคมทุกอย่างนั่นะถ้าใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็เกิดประโยชน์อย่างมากถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกก็เสียประโยชน์อย่างมากเหมือนกันถ้ามีเวลามากเกิดขึ้นมาแล้วก่อนเป็นอิสระอยู่ในโรงงานทำการทำงานหรือเป็นข้าราชการบริษัทห้างร้านก็เหมือนกับ เป็นที่คุมขังหรือว่าเป็นที่คุมประพฤติเพราะว่าใครจะกินดื่มสุราในหน้าที่ไม่ได้อย่างเนี้ยเขาต้องไล่ออกจากงานครับมีการเหมือกนกับคุมประพฤติในตัวแต่พอปล่อยออกมาจากโรงงานมาปล่อยออกมาจากสำนักงานปล่อยออกมาจากที่ทำงานผลี่สุดก็เลยมากินเหล้าเมายาดออกนอกรูนอกทางอันนี้ปลว่าใช้ไปในทางที่ผิด ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกก็คือเมื่อออกจากการจักงานมาแล้วก็มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กลับมาถึงบ้านออกมาพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นไงพ่อแม่ของเราเจ็บไข้ได้ป่วยไหมพวกเราห่างเหินกันไปเป็นปีใครบ้างสารถูกสุกดิบังไงพี่น้องของเราจะได้ช่วยเหลือกันอย่างไรใครบ้างร่ํารวยใครบ้างทิด มีปัญหาในสุขภาพหรือว่าปัญหาเรื่องหนี้สินสิ่งเหล่านี้พวกเราถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เกิดประโยชน์อย่างมากพรามีเวลาว่างจะ้องถูกปรึกษากันแต่หลวงพ่อเน้นเรื่องเรามีพ่อแม่บางคนกลับมาถึงบ้านพี่น้องทั้งหลายควรจะช่วยกันคิดว่าพ่อแม่ของเราเท่าแก่ขนาดนี้แล้ว ใครเป็นคน ด, ดูแลรักษาพ่อแม่พาไปหาหมอเดินนละกี่ครั้งไปตรวจสุขภาพของท่านตาของท่านเป็นยังไงหูของท่านเป็นยังไงฟันของท่านเป็นยังไงสุขภาพส่วนรวมได้ไปเช็คล่างกายแล้วเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ลูกๆทางหลายควรจะใส่ใจกับพ่อแม่ของตนเองไม่ใช่ว่าจะมอบให้แก่ผู้ที่อยู่ใกล้ พูดอยู่ใกล้ก็เคยชินกับพ่อกับแม่บางคนก็ใช้นิสัยไม่ดีกับพ่อกับแม่ก็มีเพรออาะเหตุไรเพราะเคยชินกันวางั้นเพราะเคยชินเหมือนกับต่อหน้าต่อต า, ตตากับพี่พี่น้องๆก็ดีแต่ว่าพอพี่น้องมาอยู่เท่านั้นละใช้หน้าบูดหน้าเบี้ยวกับพ่อกับแม่อย่างนั้นก็มีมันมีหลายๆอย่างเพราะนั้นพวกเราอยู่ไกล เมื่อนานๆานานทีได้มาพบมาเจอกันเราก็ต้องถามที่หลับที่นอนเป็นยังไงที่นอนหมอนมุ้งเป็นยังไงได้ซักได้ทาความสะอาดหรือไม่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาทุกคนลูกของพ่อแม่ทุกคนต้องช่วยกันดูแต่สมัยเมื่อเราเป็นเด็กเมื่อเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ดูเรา เ, เมื่อเราเป็นเด็กพ่อแม่ก็ดูเรา ดูปะครประโงมกับเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงเวลาขี่เวลาเยี่ยวกลางค่ำกลางคืนท่านทำอย่างไรพ่อแม่ดูเรามาตลอดแต่เมื่อพ่อแม่แก่เท่าชรลาไปแล้วเนี่ยลูกเฉยเฉยเมยเมยโดยที่ไม่ดูไม่แลอันนั้นไม่น่าจะถูกต้องอันนี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านอันนี้ก็คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตรงพ่อว่านะแต่หาว่าเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกเแต่บางคนก็บอกว่าทำไมสงการเขาไม่กินเหล้านะหยุดซะกอนพอมันคนมันมากขับรถขับรามอตถจักรถานถยนต์หรือาอาจจะเป็นพิษเป็นภัยกับคู่ขนคนมันมากคนมันมากก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเข้าไปหาคนหมู่มาก ไม่พ่อยสเปสสปาและกินเป็นบ้าเป็นบอรกรันทุกคนไปเห็นที่ไหนก็นทั้งชกทั้งต่อยกันไปเรื่อยมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเราไปหาคนชุมชนหมู่มากต้องมีสติสัมปชัญญะแต่บางคนโอ้ยถ้าไม่กินเหล้ามันก็ไม่ใช่สงการนเนยเสกสงการต้องกินเหล้าปีใหม่ต้องกินเหล้ามันเลยเป็นประเพณีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ตามไม่จริงก่อนที่จะกินเหล้าหรือว่า ก่อนที่จะเสพของมึนเมาหลวงพ่อเองในฐานะเป็นพระสงฆ์หลวงพ่อก็ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้กินเหล้าอย่างเด็ดขาดแต่ตามไม่จริงห้ามนะนะั่นน่ะบอกนันะมันไม่ถูกแต่ถ้าหากว่าตัวเองกินละ่ะเมื่อเรากินเข้าไปนะ่ะเจ้าของกินละ่ะแล้วใครเป็นคณรับผิดชอบในชีวิตทรัพย์สินของเรานะอันนี้ต้องคิดให้ดีนะในเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วมันเมาขาดสติแล้ว ขับรถเฉียวชนคนอื่นเอหัวนกพื้นถูกเข้าข่าเข้าตีอหรือว่าประสบอุบัติเหตุอเพราะเมาเหล้าแล้วใครเป็นคนรับผิดชอบเราเราเองนั้นเป็นผู้รับผิดชอบในชีวิตของเราต้องคิดตัวให้ดีไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเองถ้าเราไม่รักเราและจะให้คนอื่นรักเราเนี่ยรักชีวิตของเราเนี่ย มันเป็นที่สองนะหลวงพ่อขอบอกไว้อย่างนั้นเราเนะนะี่ยเป็นคนรักชีวิตของเราอย่างยิ่งถ้าขณะดชีวิตของเราเรายังไม่รักยังไปกินเหล้าดื่มสุราเข้าไปจนมึนเมาขาดสติหัวในสุดหัวนอกพื้นเป็นบ้าและจะทำยังไงมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่กับสามีภรรยามาอยู่กับพ่อแม่ลูก คนที่หัวนกพื้นเป็นว่าจตะตัวเตะเตะเป็นภาระของครอบครัวอย่างมากเราต้องคิดดูเราเห็นไหมถ้ากว่าสามีหรือภรรยาก็ตามถ้ากินเหล้าเข้าไปแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วนะจะต้องเป็นภาระถ้าเป็นพ่อบ้านก็เป็นภาระของครอบครัวเป็นภาระของภรรยาและลูกถ้าเป็นภรรยาก็เป็นภาระของสามีและลูกถ้าเป็นลูก ก็เป็นภาระของพ่อของแม่กระอักกระอวนไปด้วยกันทั้งครอบครัวที่หลวงพ่อพูดเนี่คิดดูให้ดีท่านดื่มเข้าไปแล้วมันเกิดประโยชน์ไหมผลีนสุดก็นะครอบครัวนนก็แตกกระจุยกระใยไปคนละทิศละทางผลีนสุดนะใครเป็นคนรับผิดชอบตัวเองและตัวเองจะไปอยู่กับใครถ้าเปียงพ่อบ้านแม่บ้านคนนี้ซะไม่ไหวละอรารวาส จะไปหาเลี้ยงคนบ้าได้ยังไงแม่บ้านกคนนี้ไปหามีแฟนใหม่หลังลูกชาลูกสาวลูกชายกันเลี้ยงไม่ไหวตัวเองน่ะใครเป็นคนรับผิดชอบจะให้พ่อแม่พี่น้องรับผิดชอบตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดให้ไกลที่จะทำอะไรลงไปไม่ใช่ว่าจะคิดได้คิดทำแบบคิดง่ายง่ายแล้วก็ทำไปพอทำไปแล้วนะเป็นยังไงถ้าผลสืบเรื่องเป็นอย่างลักษณะอย่างนั้น ใครเป็นคนรับผิดชอบตัวเองจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้ขาหักแขนหักพิการและเป็นยังไงผลในสุดมีแต่ทุกข์ใจช้าใจเกิดมาทั้งทีชีวิตทั้งที่จะทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติตั้งแต่สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของตนเองกลับมีแต่ทุกข์ระทมอยู่ในจิตใจทุกข์ระทมในการเป็นอยู่ทุกข์ระทมในชีวิตของตนเอง สิ่งเหล่านี้พวกเราเป็นนักคิดพระพุทธเจ้าสอนให้คิดพระพุทธศาสนาให้ใช้ปัญญาให้คิดนะเพราะนั้นพวกเราต้องคิดความรอบครอบในการเป็นอยู่อย่างนางวิสาขานางวิสาขามหาอุบาสิกาที่เป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้าที่เป็นมหาอุบาสิกาเป็นพุทธอุปถาคคือเป็น ผู้ดูแลถวายปัจจัยสี่ต่อพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สมัยท่านเป็นหนุ่มนางวิสาขาเป็นหนุ่มอายุ16หปีมีบริวารห0 0รอสมัยนั้นคนก็มากฮะท่านเป็นเศรษฐีไปที่ไหนก็ต้องมีบริวารห้อมร้อมท่านก็สมัยนั้นก็ไม่มีน้ำประปาเหมือนกับอย่างทุกวันนี้เวลาไปอาบน้ำก็ต้องไปอาบน้าในแม่น้ำพอไปอาบน้ำในแม่น้า แล้ก็มีสาลาแล้วก็เวลาจะขึ้นมาจากท่าน้ำฝนก็ตกอย่างแรงพอตกอย่างแรงบริษัทบริวารกูวิ่งต่างคนต่างวิ่งอ่าบริษัทบริวารทั้ง500ร้อยหน่วงก็มาหาสาลาเข้ามาหาร่มแต่นางวิสาขาเนี่ยเป็นเด็กหญิงอายุ 16% บปีเดินมาด้วยความระมัดระวังเดินมาไม่ได้จะทกขทุน เรื่องฝนจะตกเปียกพวกพราหมณ์ทั้งหลายที่ไปหาหญิงสาวที่จะมาเป็นสะพ้ยของตระกูลเศรษฐีอีกเหมือนกั น, นแต่พราหมณ์เล้วก็อยู่ที่ศาลาก็ก็มองเห็นเออทําไมผู้หญิงคนนี้ทําไมเชิงช้าทําไมจึงไม่วิ่งเหมือนกับหญิงคนอื่นๆเขาก็ถามถามเขาไปถามทําไมท่าน ลูกสาวหรือลูกหญิงทำไมไม่วิ่งเหมือนกับคนอื่นเขาหนีฝนนางวิสาขาตอบว่าถ้ า, ถาหากว่าเราวิ่งไปกระทาไว้หกล้มลงไปขาหักแขนหักหัวนอกพื้นหรือว่าข้อหักนิ้วหัก ด, ดููแล้วก็เสียบุ ค, คลิกของหญิงสาวตระกูลไหนที่จะนำไปเป็นสะพายเขาก็คงจะไม่ต้องการ เพราะนั้นฉันคิดดูแล้วว่าการวิ่งไปอย่างนั้นอาจจะมีส่วนจะหกล้มได้แล้วก็การที่ฝนเปียกก็เปียกก็ไม่เป็นไรไปมันก็จะแห้งได้ถ้าว่าเสียหายอย่างนั้นจะเสียหายมากกว่าแต่ห้เปียกก็ไม่เป็ไรเสื้อผ้าเปียกก็กลับไปถึงบ้านแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เนี่แหละพวกพรามทั้งหลายที่ไป เสาะแสวงหาอหญิงที่จะมาเป็นสะพ้ายของตระกูลเศรษฐีเขาก็อึ้งเด็กคนนี้มีมีปัญญาพร้อมที่จะเป็นสะพ้ายแลว้วเป็นลูกของพวกเราได้เนี่แหละอันนี้ก็คือนางวิสาขาท่านมองไกลท่านไม่ได้มองใกล้อท่านทําท่านทําอะไรท่านมองไกล แต่พวกที่ไม่ได้คิดอะไรมันก็มองใกล้อย่างที่ว่าอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตทั้งชีวิตของเราเราก็ต้องมองไกลอีกเหมือนกันการดํารงชีพของเราเราควรจะทําอย่างไรจรึงจะราบรื่นเมื่อเราสแสวงหาทรัพย์มาแล้วเราควรจะเก็บอย่างไงควรจะรักษาอย่างไงควรจะใช้ใจอย่างไงสิ่งเหล่านี้ให้พอเราวางแผนชีวิตของเรา อย่าไปทำแบบมองสายตาสั้นมองใกล้ๆแล้วก็ทำทำไปทำไปทำเป็นนาทีทำเป็นชัวงง่วโมงทำเป็นวันทำเป็นอาทิตย์ทำเป็นเดือนไม่ใช่นะเราต้องทำข้ามซอดเป็นข้ามปีไปจนถึงเท่าแก่ชราเราจะทำยังไงชีวิตของเราจรึงจะเดินไปด้วยความราบรื่นไม่มีอุปสรรคสิ่งเหล่านี้ ให้พวกเราวางแผนวางแผนชีวิตของตนเองอันดับแรกกันนะอย่าดื่มสุราอย่าไปดื่มของมึนเมาอยาบ้ายามา้าคันชายาฝิ่นเฮโรอีนเนอโคเคนยาไออะไรก็ตามถ้าเราดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วผลพิษภัยจะตามมานั่นใครเป็นคนรับเราเป็นคนรับเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ครอบครัว ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราเป็นผู้รับแล้วเขารับรายไหมนี่แหละปัญหาทีนี้ผลที่สุดกระแตทสลุผู้พ่ายผลที่สุดเรานั่นแหละจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยใครเพราะตัวเองไม่ดีตัวเองทําให้ตนเองแล้วจะไปพึ่งใครสิ่งเหล่านี้ต้องพึ่งตนเองเราเกิดมาทั้งทีชีวิตพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วให้ขาสอง แขนสองสมองหนึ่งท่านให้มาแล้วเราจะดําเนินชีวิตของเราอย่างดีได้อย่างไรเราต้องขยันอดทนขันติต้องใช้ปัญญาถ้าเป็นนักเรียนพยายามเรียนให้ดีที่สุดถ้าเป็นข้าราชการก็ทําให้ดีที่สุดถ้าเป็นพระก็เป็นพระที่ดีที่สุดทุกอย่างคือว่าให้ดีที่สุดเพื่อชีวิตของเราจะได้ราบรื่น ตกไปในอนาคตเนี่แหละอันนี้คือส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แต่ชีวิตของเราเท่านั้นนะหลักของพุทธศาสนาสอนให้ข้ามซอดไปอีกเมื่อตายแล้วเราจะไปที่ไหนเรามีบุญกุศลเพียงพอหรื อ, อยังอันนี้พระพุทธเจ้าสอนข้ามไปอีกข้ามภพข้ามชาติไปอีกสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องศึกษาและศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างไรเอที่ท่านออกบวชท่านออกบวชเพื่ออะไรท่านศึกษาทางทางไหนสรุปแล้วก็คือทางด้านจิตใจเนยแต่ที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดะเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเน่ยคือเรื่องของร่างกายที่พวกเรามองเห็นเห็นกันอยู่คือการเป็นอยู่ของร่างกายอย่าให้มีปัญหา แต่ส่วนด้านจิตใจนั้นพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาสอนถึงด้านจิตใจแนวความคิดคิดอย่างไรจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดยังไงคิดถูกคิดยังไงพิดคิดผิดความคิดตัวนี้น่ะถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันคิดเออละเหยทั้งวี่ทั้งวันแลบางทีเราก็ไม่รู้ว่ความคิดของเราเนี่ยไปทางไหนแต่ตามไม่จริงความคิดของเราเนี่ยต้องมีสมาธินะ สมาธิคื อ, ค, อความตั้งใจมั่นสติสัมปัชัะ ญ, ญนมีสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวในเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่นึกคิดเรื่องอะไรคิดผิดหรือคิดถูกต้องนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศีลธรรมจริยธรรมเอากฎหมายเข้ามาเปรียบเทียบว่าเราคิดไปนี่มันผิดคิดถูกไหมหรือคิดผิด ผิดคดีโรคไหมผิดคดีธรรมไหมถูกคดีโรคไหมถูกคดีธรรมไหมอันนี้เราก็ต้องเด็กใช้ความคิดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิของเราที่คิดจิตใจของเราอยู่รู้นิ่งพอสมควรเราจึงจะรู้ได้ถ้าว่าคนให้คนบ้าคิดเน่ยกินลรากของสกปรกค่อยคิดเนี่ยมันก็คิดแบบบ้ามันก็คิดแบบคนเมาฮะแต่คนมีสติคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดแบบคนมีสติสัมปชัญญะ ต้องใช้ปัญญากัรกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลนี่แหละหลักของพุทธศาสนาท่านให้ดูใจเท่านั้นว่าใจนี่แหละเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนอนุสสทายาตโยมโลูกหลานทุกคนนะช่วยกันคิดเรื่องสุราปีใหม่เนี่ยสงกรานวันพุ่งนี้เป็นวันสงกรานนะ ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปส่งเสริมอย่าไปซื้อเหล้าเลี้ยงกันงดนะลูกหลานนะ อ, อถึงพ่อแม่จะมีเงินก็จริงอยู่เรื่องซื้อเหล้าเขางดจะก่อนเห็นไหมทางรัฐบาลเขาประกาศแล้วประกาศอีกปีหนึ่งตายเท่าไหร่อย่าให้มาถูกกับญาติพี่น้องของเราตอนนะั้นลูกหลานนะจะกินข้าวปลาอาหารอย่างอื่นเอาเลี้ยงได้แต่เรื่องเหล้าเรื่องยาเรื่องเบียอะไรเนี่ยงดจะก่อนนะลูกหลานนะเพราะว่า จะให้ไปเป็นประวัติศาสตร์ช้ำรอยที่มันเป็นผ่านๆมาเถอะพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่อยากจะเห็นลูกหลานนะคะหักแขนหักหัวนอกพื้นถูกฆ่าตายเพราะกินเหล้าเมาสุราแล้วทะเลาะวิวาทกันพ่อแม่ไม่ปู่ย่าตายายไม่อยากจะเห็นเพราะนั้นไม่เลี้ยงนะลูกหลานนะถ้าเลี้ยงอาหารการบริโภคเออเอามากินมาอยู่มากินให้แนะนําสั่งสอนเขาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าพ่อแม่ แกเท่าพอแรงเรหกสิบเจ็ดสิบแล้วยังกินเหล้าหัวลานานะ้ำใหอย่าออกไปเต้นรำร้องกลางตนงถนนเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมแบบนั้นไม่น่าจะถูกต้องนะวัฒนธรรมมีหลายวัฒนธรรมวัฒนธรรมสงบเสงี่ยมเรียบร้อยก็มีวัฒนธรรมแบบขี้เหล้าเมายาก็มีวัฒนธรรมแบบบ้าๆก็มีวัฒนธรรมแบบดีๆก็มี เราจะเป็นวัฒนธรรมไหนถ้าคนมีปัญญาก็ต้องเลือกวัฒนธรรมที่ดีนะอันไหนดีฮดีถ้าคนไม่ถ้าคนไม่มีปัญญามันก็เลือกบนที่อันไหนดีอันไหนไม่ดีไม่ได้เหมือนกับคนไม่รู้จักทองคําอย่างนั้นะมันไม่รู้จักเลือกเห็นเหลืองๆก็เป็นทองคําทั้งหมดแต่ถ้าว่าคนมีปัญญาแล้วจ้องเลือกวิธีเลือกทองคําเขาจะเลือกอย่างไงฮนี่ก็เหมือนกันนะวัฒนธรรมที่ดีจะไงจริงๆว่าวัฒนธรรมที่ดี อันไหนวัดวัฒนธรรมเลวมันก็ต้องมีของเลวของดีด้วยกันทั้งนั้นแหละของในโลกนี่นะวันนี้ให้แนวความคิดแก่คณะทายาิโจมลูกหลานเพื่อเป็นแนวความคิดนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนมโมธนาให้พร